ลำดับที่สิบเมื่อวันที่ส6หสิงหาคมพุทธศักราช2552โดยพระคันจิตคุณวโรวผู้ช่วยเจ้าอาวาส ว, วัดยานเวักวันจังหวัดนครปฐมเป็นแถวเรียงหนึ่งเลยนะเป็นแถวเรียงหนึ่งเลย นะจเจริญพร อ, อันนี้จะแน่นนิดหนึ่งนะขอโยมหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็ออกไปยืนแถวข้างนอกตรงนั้นเลยนะอ่าแถวตรงนี้จเจริญพรนะ schauen. เดี๋ยวโยมช่วยมายืนแถวตรงนี้เลยนะแถวข้างในนี้ต้องขยับกันมาหนะ่อึ่งต้องเว้นระยะนิดหนึ่งเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะไม่มีที่เดินอ่าโยมช่วยเว้นระยะกันนิดหนึ่งนะเจริญพร อ, อานะ่านนะคราวนี้โยม มองมาที่อาตมาก่อนเดี๋ยวจะสอนก่อนเดี๋จะสอนที่ให้ให้กับโยมก่อนวิธีการนะวิธีการเราจะยืนตัวตรงนะเราจะยืนตัวตรงเท้าทั้งสองนั้นจะไม่น่าชิดติดกันนะเท้าทั้งสองนั้นให้ห่างกันพอประมาณตัวตั้งตรงคอตั้งตรงมือทั้งสองนั้นประสานไว้ที่ด้านหน้าหรือประสานไว้ที่ด้านหลังก็ได้แล้วแต่โยมถนัด เข้าใจนะประสานไว้ที่ด้านหน้าหรือประสานไว้ที่ด้านหลังก็ได้แล้วแต่โยมถนัดแต่ในที่นี้เอาประสานไว้ที่ด้านหน้ากันแล้วกันจะได้เหมือนกันจากนั้นคอตั้งตรงสายตานั้นไม่มองตรงแต่มองมองเหลือบห่างตัวพอประมาณมองเหลือบตามห่างตัวพอประมาณแบบสบายๆเวลาเดินห้ามมองเท้าห้ามมองขวาห้ามมองขา แล้วก็อย่า ก, ก้มหน้าถ้ายองเดินก้มหน้าบองเท้าแบบนี้เดินไปได้สักพักจะเริ่มปวดคอพอเดินนานมากกว่านั้นคันนี้จะปวดที่ไหล่ทั้งสองเพราะว่ากล้ามเนื้อมันดึงนั้นเดินนั้นตัวใหญ่เอียงให้ตัวบาลานซ์ไว้คอตั้งตรงไม่ต้องบองขาเหมือนเราเดินในที่มืดเราจะรู้สึกถึงขาได้ชัดเข้าใจนะอา้าวถ้าเข้าใจแล้วต่อจากนั้นวิธีการเดินจะทําอย่างไรหนึ่งเราจะกําหนดที่ขาทั้งสองก่อน เอาในที่นี้เดี๋ยวให้โยมกำหนดพร้อมกันเลยเริ่มต้นจากขาซ้ายก่อนเอาให้โยมขยับฝ่าเท้าซ้ายนิดหน่อยไม่ต้องยกขึ้นนะขยับนิ้วเท้าขยับฝ่าเท้านิดหน่อยช้าๆเหมือนเราขยับมือรู้สึกได้ถึงรูปร่างของฝ่าเท้าซ้ายไม่เอ่ยรู้สึกนะมีใครไม่รู้สึกไหมรู้สึกนะเอาละหยุดขยับคราวนี้ขยับที่ขาซ้ายทั้งขา งอขานิดหน่อยไม่ต้องยกนะขยับช้าๆ้ารู้สึกได้ถึงขาซ้ายที่เป็นแท่งเป็นท่อนตรงๆต่อลงมาไหมมีใครไม่รู้สึกบ้างไหมรู้สึกทุกคนนะรู้สึกไหมจ๊ะรู้สึกนะจ๊ะ <c oughs> อ้าวละอ้าวหยุดขยับคราวนี้มาสังเกตที่ขาขวาบ้างเริ่มต้นที่ฝ่าเท้าขวาขยับนิดหน่อยช้าช้า รู้สึกไหมเอ่ยอ่าหยุดขยับจับความ ร, รู้สึกไว้นะสูงขึ้นมาที่ขาขวาท่อนขาขวาขยับเล็กน้อยรู้สึกได้ถึงท่อนขาขวานะหยุดขยับอ่าคราวนี้ให้โยมดูอัตมา ก, ก่อนการเดินนั้นจะแบ่งออกเป็นสามช่วงด้วยกัน โดยในแต่ละช่วงเราจะสังเกตรูปร่างของขาที่เปลี่ยนเหมือนกับตอนที่เรากำมือจำได้นะตอนที่เรากำมือนะอาสังเกตอย่างไรนะเมื่ออาตมาบอกว่ายกหมายถึงอาการที่เรายกเท้าพ้นจากพื้นยกเท้าขึ้นมาตรงๆนะไม่ยกแบบก้าวไปอย่างนี้นะอลองดูก่อนตอนแรกก่อนที่เราจะเดินสังเกตรูปร่างขาซ้ายนะในที่นี้สมมติอาตมาจะก้าวขาซ้ายก่อนเราจะสังเกตแค่ขาที่เคลื่อนไหวเท่านั้น ตอนนี้เราจะรู้สึกถึงขาซ้ายนั้นมันเป็นแท่งตั้งตรงแล้วฝ่าเท้าเป็นรูปร่างแบบนี้อย่างที่เรารู้สึกเมื่ออาตมาบอกว่ายกหมายถึงอาการยกเท้าพ้นจากพื้นเราจะรู้สึกถึงขานั้นรูปร่างมันก็ค่อยงอขึ้นมาเหมือนกับนิ้วของเราที่งอรู้สึกเหมือนกับนิ้วของเราที่งอเนี่ยแหละอ่าลองดูนะยกดูอาตมาก่อนนะยกรู้สึกถึงรูปร่างของขาที่มันงอขึ้นมาฝ่าเท้าเริ่ม เอ็นลงใช่ไหมจากนั้นเมื่อยกพ้นจากพื้นแล้วตอนนี้เราจะรู้สึกได้ถึงขาที่กําลังงอจากนั้นเมื่ออาตมาบอกว่าก้าวคืออาการที่เราก้าวเท้าไปข้างหน้าเราเตะเท้าไปข้างหน้าเราจะรู้สึกถึงขาที่งอนั้นเป็นยังไงเอ่ยค่อยๆเหยียดค่อยๆยืดตรงออกไปอาวก้าวขาจะค่อยๆเหยียดยืดตรงออกไป ตอนนี้เรารู้สึกได้ขายืดตรงแต่ว่ายืดตรงเป็นมุมนะจากนั้นวางวางเราจะรู้สึกได้ถึงขาที่วางเป็นมุมนั้นค่อยๆลดมุมลงมาจนกระทั่งสัมผัสพื้นรู้สึกถึงรูปร่างขา ข, าของขาที่เปลี่ยนวางจนกระทั่งสัมผัสพื้นพอสัมผัสพื้นเสร็จอย่าเพิ่งถ่ายน้ำหนักกลับมาสังเกตที่ขาขวารูปร่างขาขวาตอนนี้ที่เป็นขาตั้งตรง กับเท้าที่มีรูปหน้าแบบนี้มันจะเริ่มเปลี่ยนะถ่ายน้ําหนักแล้วขาวขาวขาวจะเริ่มยกให้ยกขึ้นมาพ้นพื้นตรงๆงเลยยกรู้สึกถึงขาที่มันงอขึ้นเก้าขามันเหยียดตรงออกไปวางเทา้าสัมผัสพื้นได้ไหมเอ่ยได้ไหมได้นะอา้าวถ้าได้ทั้งนั้นทุกคนซ้ายหัน ซ้ายหันเลยนะซ้ายหันเพราะฉะนั้นจะหันไปทิศทางเดียวกันแล้วตอนนี้เราจะเดินเป็นวงกลมอย่างนี้นะะถ้าตรงไหนแน่นเดี๋ยวยังไงต้องช่วยเลื่อนนิดหนึ่งขออภัยช่วยเลื่อนข้ามาอีกสักแถวหนึ่งแล้วกันอเดี๋ยวอ่าแถวข้างนอกทางด้านนี้ให้เดินเดินมาทางด้านนี้เลยจเจริญพรเดินมาทางด้านนี้เลยเดี๋ยวเราจะได้เดินกันเป็นวงกมลม น, นะเจริญพร โยมที่อยู่แถวนอกเดินวนได้ใช่ไหมแถวนอกตรงนี้เป็นสามน ะ, จะเจริญพรตรงนี้จริงๆเป็นสามได้แต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวให้เดินวนเป็นวงกลมนะเดี๋ยวอาตมาตจะให้จังหวะตอนแรกนี้เนื่องจากว่าเราที่ฝึกใหม่ๆมักจะคุยกับตัวเองเยอะในขณะที่เดินถ้าฟังเสียงอาตมาตอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวโยมจะคุยกับตัวเองเดี๋ยวมันจะนึกเป็นคําพูดขึ้นมาเพราะฉะนั้นอาตมาตจะให้โยมใช้คําบริกรรมเข้ามาคอยกําหนดคอยกํากับด้วย แต่จําไว้ว่าไม่ใช่ให้สังเกตคําบริกรรมแต่ให้สังเกตถึงรูปร่างของขาที่มันกําลังเปลี่ยนในขณะที่กําลังยกกําลังก้าวกําลังวางอันนี้โยมเข้าใจไม่เอ่ยมีใครสงสัยไหมตรงนี้ไม่มีนะเพราะฉะนั้นขณะเดินให้โยมพูดออกมาด้วยมันจะได้ไม่คุยกับตัวเองเรื่องอื่นแต่ให้มาสังเกตที่รูปร่างของขาที่กําลังเปลี่ยนนะเั้นขณะเดินนั้นขณะยกเท้าพูดออกมาด้วยเลยว่ายก ก้าวเท้าก้าวขณะวางลงก็วางเข้าใจนะอันนี้โยมบางท่านอาจจะติดเคยฝึกยกหนอ่อยย่างหนอ่อเหยียบหนอ่อจะใช้ยกหนอยย่างหนอยเหยียบหนอก็ได้นะคําพูดตรงนี้มันไม่ได้สําคัญละ่ะเอาเป็นคําพูดที่สอดคล้องกับสิ่งที่เรกากำลังทําเข้าใจนะาในตอนแรกที่อาตมาจะให้จังหวะก่อนเพราะฉะนั้นช่วยเว้นระยะกันนิดหนึ่งนะช่วยเว้นระยะกันนิดหนึ่งนะต้องถอยเว้นระยะนิดหนึ่ง ด้านหลังตรงนู้นยัง ด, ด้านหลังทางด้านนี้ยังได้นะถ้าข้างหนแน่นเกินไปนะแล้วก็เดินก้าวเท้าไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปนะดูเว้นระยะกันนิดหนึ่งนะจะได้เดินไม่ติดกันมากนักนะต้องขออภัยด้วยเนื่องจากสถานที่ตรงนี้มีจํากัดนะอ้าวพร้อมนะพร้อมแล้วทําใจให้สงบขณะเดินนั้นตั้งใจไว้ทุกย่างก้าวคือความดีงาม มีความสุขทุกย่างก้าวนะทุกย่างก้าวคือความดีงามทุกย่างก้าวเหมือนเราก้าวเท้าตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะให้ตั้งใจว่าอย่างนั้นมีความสุขในทุกย่างก้าวที่เราก้าวเดินเลยให้ตั้งใจว่าอย่างนั้นนะทุกย่างก้าวนั้นคือบุญกุศลทุกย่างก้าวคือความดีงามค่อยๆสังเกตในทุกย่างก้าวไปอ้าถ้าพร้อมแล้วกำหนดขาซ้ายรู้สึกถึงรูปร่างของขาซ้ายไว้นะอ้าพร้อมแล้ว ยกก้าววางยกก้าววางยกก้าววางอ้าวยอมพูดออกมาด้วยยกก้าววางยกกา วางยกก้าวางเดนินแบบส บ, สบย و, ายๆยกก้าวางยกก้าวางยกก้าวางยก ยกเก้าวางไม่ต้องรีบนะยกเก้าวางยกเก้าวางยก โย เดี๋ยวช่วยเฉลี่ยมาตรงแถวหลังตรงนี้นิดหนึ่งตรงนั้นจะรู้สึกแน่นไม่ใช่โ ย, ม, ยมมาอยู่แถวหน้านี่ถูกแล้วยมที่อยู่แถวแถวเนี้ยแถวที่สามช่วยเฉลี่ยมาแถวหลังตรงนี้นิดหนึ่งนะ้โยมขยับ ม, มาข้างหน้า น, นิดหนึ่งอ้าวลักเจนะริญถอนะคราวนี้การเดินในตอนเริ่มแรกนะปกติจะไม่ให้เดินเป็นวงกลมอย่างนี้หรอกแต่เนื่องจากเนื้อที่จํากัด น, นะจะให้เดินโยมเดินเป็นเส้นตรงเดินกลับไปแล้วก็กลับมา เดินไม่ต่ำกว่า29แต่ไม่ควรเกิน39นะการเดินนะวันในการเดินนั้นกําหนดระยะไว้สักนิดหน่งยองไม่ต้องนับเท้าในขณะที่โยมเดินนะเอาระยะโดยประมาณพอไม่เกือบไม่ต่ำกว่า20แต่ไม่เกิน30นะประมาณสักสี่าสี่เสาเนี่ยได้นะประมาณสัก25เก้าได้สี่สาวนี้เดินแบบสบายๆเวลาเดินไม่เดินเร็วเกินไม่เดินช้าเกินเดินแบบสบายๆ ไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปโยมที่มีอายุแล้วบางทีมีปัญหาเรื่องข้อบางทีไปช้าๆอย่างนี้ไม่ได้เดินนิดนิดนิดนิก็ได้แต่ให้รู้สึกถึงขาขวากับขาซ้ายเอาไว้เข้าใจนะแต่ถ้าเดินโยมที่สามารถที่จะเดินช้าได้ก็เดินช้ากว่าปกตินิดหน่อยนะอย่าไปช้ามากถ้าช้ามากเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกถึงขาที่ค้ายันเพราะมันเกรงแล้วมันตึงมันปวดเข้าใจนะขณะยกคืออาการที่ยกเท้าพ้นจากพื้นเท่านั้น ยกก้าวคือเตะเท้าไปข้างหน้าวางคือวางเท้าลงสัมผัสพื้นเริ่มถ่ายน้ําหนักใหม่ขาขวาแค่ยกขึ้นมาเท่านั้นยกยังไม่เตะออกไปนะยกขึ้นมาเท่นั้นเองเมื่อบอกว่าก้าวคือเตะเท้าไปข้างหน้าเป็นก้าววางคือวางเท้าลงสัมผัสพื้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบนะทําให้ต่อนเนื่องยกก้าววางทําให้ต่อนเนื่องไปเรื่อย คราวนี้ถ้าเดินถึงจุดที่กําหนดเราจะกลับตัวทําอย่างไรอ้าวในที่นี้ดูอาตมาก่อนสมมติเดินถึงจุดนี้อาตมาจะกลับตัวยกเก้าวางยกเก้าวางสมมุติจะกลับตัวที่จุดนี้หยุดที่จุดนี้ยกชิด ยังไม่วางตอนนี้เราจะรู้สึกถึงขาที่มันงอจากนั้นเราจะรู้สึกถึงขาที่เริ่มเหยียดตรงวางกำหนดความรู้สึกที่ขาทั้งสองสามครั้งหนึ่งสองสามจากนั้นในขณะที่กลับตัวเราจะไม่เดินกลับจะไม่มีการไข้ขาแบบนี้ไม่เช่นนั้นขาจะเกิดการสัมผัส เอาวิธีการทำอย่างไรเอานะสมมติอัตมาจะกลับตัวไปทางขวาขาขวาจะเริ่มก่อนรู้สึกถึงขาขวาที่ยกขึ้นจากเหยียด ต, ตรงเริ่มงอยกจากนั้นหมุนไปด้านข้าง ย, าย้ายไม่เกินเก้าสิบองศาไม่ต้องก้าวออกว่าอย่างนี้นะเอาแค่หมุนพอ ย, ย้ายวาง ขณะวางรู้สึกถึงขาที่งอนั้นเริ่มเหยียดตรงจากนั้นขาซ้ายย้ายมาชิดยกรู้สึกถึงอาการที่งอขึ้น ย, ย้ายเอามาชิดเฉยเฉยไม่ควยวางรู้สึกถึงขาที่เหยียดตรงขาขวาเริ่มต่อยก ย, ย้ายวางขาซ้ายตามยก ย, ย้ายวางขาขวาเริ่มต่อตอนนี้จะหมุนหรือหรืออีกแค่นิดเดียวให้พอดีกับตัวเท่านั้นนะยก ย, ย้ายวางยก ย, ย้ายวางตอนนี้คือพอดีกับตัวเพราะฉะนั้นย้ายครั้งที่สามเนี่ยโยมจะย้ายเท้านิดเดียวเท่านั้นเองนะไม่ถึงเก้าสิบองศาเพื่อให้เรากลับตัวพอดีเท่านั้นเอง เข้าใจไม่เอ่ยได้นะอา้าวเดี๋ยวเราลองทดลองกันนิดหนึ่งนะลองทดลองกันนิดหนึ่งนะเอาลองหมุนใครหมุนเกินเดี๋ยวรู้เลยนะอา้าวหันหน้ามาทางอาตมานะหันหน้ามาทางอาตมานะทุกท่านหันหน้ามาทางอาตมาเพราะฉะนั้นกลับตัวพอดีก็หมายความว่าโยมจะต้องหันหลังให้อาตมาพอดีนะถ้าหมุนเกินก็รู้ละคราวนี้นะจะเรียนพออา้าวนะอา้าวถ้าพร้อมแล้วนะเตรียมตัวยก ย้ายวางไปทางขวานะไปทางขวานะอา้าวคราวนี้ขาซ้ายย้ายมาชิดยกย้ายวางอา้าวขาขวาย้ายต่อยกย้ายวางขาซ้ายย้ายมาชิดยก ย, ย้ายวางคราวนี้ขาขวาย้ายนิดเดียวพอให้ตัวเราตั้งตรงกลับตัวเท่านั้นเองยก ย, ย้ายวางขาซ้ายย้ายมาชิดยก ย, ย้ายวางอ้าวใครหมุนเกินบ้างใครตอนนี้ไม่ได้หันหลังให้อัตมาแสดงว่าหมุนเกินล้นะ <c oughs> แสดงว่าตอนย้าย <c oughs> ย้ายเกินนะ หันหมุนไม่เกินเก้าสิบองศาหมุนครั้งที่สามนี่ย้ายเท้าบางทีมันเหลือย้ายเท้าแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะบันที่เหลือแค่ย้ายเท้าแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะอ้าวพร้อมนะอ้าวเดี๋ยวลองย้ายกลับลองหมุนกลับใหม่นะคราวนี้ต้องหันหน้ามาหาอาตมาแทนอ้าวนะยกย้ยายวางยกย้ยาย วางไม่ต้องรีบนะยกย้ายวางยกยกให้พ้นพื้นเลยยกย้ายวางเอาครั้งที่สามแล้วนะยกย้ายวางยกย้ายวางตอนนี้ต้อง หันหน้ามาหาอาตมาแล้วมีใครหมุนเกินไหมอ้าไม่เกินนะอ้าวจะเป็นพอดได้ไม่เอ่ยอะไรนะเอียงนิดนิดนดอ้าวเดี๋ยวค่อยๆปรับนะไม่ใช่เวลาเราเดินเราก็จะเดินกลับไปกลับมาถึงจุดกลับตัวก็จะทาแบบนี้ได้ไหมอ้าวถ้าได้เดี๋ยวลองทดลองดูอา้าวซ้ายหันเลยเอ่าซ้ายหันซ้ายหัน ซ้ายตรงไหนเอ่ยอ้าวนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเดินหมุนทางทางด้านนี้เดี๋ยวเดินไปได้สักระยะหนึ่งอาตมาจะให้กลับตัวนะอ้าวพร้อมนะกำหนดขาซ้ายอ้าวพร้อมแล้วอ่าพูดออกมาด้วยนะจะได้ไม่คุยกับตัวเองเรื่องอื่นนะแล้วก็ตามไม่ต้องไปมองสิ่งอื่นนะมองมองเหลือบเลือบมองตามห่างตัวพอประมาณนะมองแบบเผลนๆมาทําความรู้สึกที่ขาเท่านั้น อา้าวพร้อมแล้วกำหนดขาซ้ายยกก้าววางอา่าพูดออกมาด้วยยกก้าววางยกก้าววางยกก้า ยกก้าววางยกก้าววางยกก้าววางยกก้าววางอ่าอยู่ที่จุดนี้นะยกชียังไม่วาง นะยังไม่วางงอเท้าให้ก่อนวางอากำหนดความรู้สึกที่ขาสาครั้งหนึ 1, 2, ่งสองส่าพูดออกมาด้วยนะหมุนไปทางด้านขวามัมนขาขวาเริ่มก่อนยก ย, ย้ายวางไม่ต้องรีบเหมือนเดิมเลยยก ย, ย้ายวางยก ย้ายวางยกย้ายวางยกย้ายวางยกย้าย ว, า ง, ยย า, ยวางอ้าวตอนนี้ต้องหันกลับแล้วนะหันกลับแล้วอ้าวเดินต่อก็เบิดความรู้สึกที่ขาสามครั้งหนึ่ง สองสามอ่าพร้อมแล้วเดินต่อยก้าววางยกก้าววางยกก้าววางยกก้าววางยก ก้าววางยุบก้าววางยุบก้าววางยุบก้าววางยุ ที่จุดนี้นะยกชิดวางกำหนดความรู้สึกที่ขาสามครั้ง1 2 3สองอ้าวกลับตัวนะไปทางขวายก ย, าย้า ย, กยายวางยกย้าย ทาให้สงสูงนิดหนึ่งนะยกยายวางยกย้ายวางอ่าวแล้วได้ไหมเอ่ยได้ไหมอ่าวงั้นเดี๋ยวเชิญกลับที่ได้น ะ, ะเจริญพรขอภรยที่วตัตมาขอทางนิดหนึ่งจเจริญพรไม่ยากนะเพราะฉะนั้นตั้งใจไว้ ทุกย่างก้าวคือความดีงามทุกย่างก้าวคือความสุขเพราะฉะนั้นฝากใโยมไปฝึกอาทิตย์นี้นะฝากใโยมไปฝึกนะตอนเช้าสักสิบห้านาทีตอนเย็นกลับมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงหลังจากทานข้าวเสร็จใหม่ๆแนะนําให้เดินจงกรมแบบนี้จะเกื้อกูลกับสุขภาพของเราเดินแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยในการย่อยอาหารร่างกายเผาผลาญอาหารได้ดีแล้วถ้าเดินโยมเดินช้าๆแบบนี้สักครึ่งชั่วโมงหลังจากทานอาหารเสร็จต่อจากนั้นโยมจะไม่ง่วง ก็อาหารมันจะย่อยได้เร็วนะมันจะย่อยได้เร็วเกื้อกูลกับสุขภาพจิตด้วยเกื้อกูลกับร่างกายด้วยยากไม่เอ่ยเดินแบบนี้ยากไหมไม่ยากนะเพราะฉะนั้นฝากโยมไปฝึกต่อนะจะฝากโยมไปฝึกต่อคราวหน้าเดี๋ยวจะสอนต่อเรื่องของการปฏิบัติสอนต่อในเรื่องของการปฏิบัติแบบนี้ว่านอกจากเดินอย่างนี้แนละ้วแม้กระทั่งนั่งเราก็สามารถดูได้แล้วต่อจากนั้นโยมค่อยเอาไปประยุกต์ โยมจะใช้อิริยาบทอย่างไรโยมก็จะสามารถที่จะกําหนดได้เป็นการฝึกจิตใจเราไปได้ในตัวเลยทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามนะอ่ามีคําถามอะไรไหมเอ่ยสําหรับวันนี้ไม่มีนะอ้าวถ้าไม่มีคําถามอะไรวันนี้ก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะขออนุโมทนายโยมทุกทุกคนก็หวังว่าโยมจะไปฝึกต่อนะแล้วก็เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติทุกทุ ก, ทกคนเลยวันนี้ก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ ลำดับต่อไปเชิญโยมแผ่เมตตาและก็ไหว้พระสวดมนต์พร้อมกัน